ต่อไปนี้จะได้สวดหน้าเจ็สิบสี่กรวดน้ำตอนเช้าปฏิทานคาถาแปลฮันธรรมยังปฏิาาทานคาถาโยผนามาเซนยาเทวาตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพทิคเรตหิน์ เทพยดาเหล่าใดที่อยู่ประจัมิหารสิงสถิตอยู่ที่เรือนพระสถทุกที่ทเรือนผลที่นั้นนั้นตาธรรมธาเนนภวันตุ ป, ปูชิตาเทพยดาเหล่านั้นเป็นผู้อันเหล่าทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมธาาน สดิงกระโจเตถิหะระมันเดเล่จงช่วยกระทำความสวัสดีในบริเวณรอบวิหารนี้เทราจะมัจจานวากาจะพิกาวขอพิกสุทั้งหลายทางชันเทราชันมาจิมาและชันนวกา สาธามิการธานปติอุปาสการขออุปาสสกุบาสิกาผู้เป็นธานบดีพร้อมท้งหารามิกชนข้ามาจะเทศนมิก้ามาจะิิสลาขอชนทั้งหลายทางที่เป็นชาวบ้านชาวเมืองชาวนิคม และอิสราชนสาปนพโทธาสุกิตาภวันตุเตขอชนผู้ยังมีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเถิดชาลาผู้ใจเย็บปิจอันดสัมภวาอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่าไใดที่เกิดในคันกอดี ที่เกิดในฟองไข่ก็ดีสังเสทจฐาตาอัตโวปปาติการที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีที่เกิดปวดขึ้นก็ดีนิยานิกังธรรมอวัลังปติจะเต็สัตว์เหล่านั้นอาศัยพระธรรมอันประเสริฐ อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์สัพเพปิทุกธัตุสการุณฑูตสังขยางเมื่อสัตทั้งหลายทั้งปวงจงกระทําความสิ้นไปแห่งทุกข์เกิดทายทุกจิตังสังธรรมโมตตมัทธาเจาปุคขลาขอทำของสัตว์ตักรุธทั้งหลาย จงดำรงอยู่ตลอกาลนานและขอบุ้คลผู้ทรงธรรมทั้งหลายจงจงดำรงอยู่สิ้นกาลนานสร้างโค้ดตุสมะโคอาอาตายจาอิตายจาขอพระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสามัคคีร้อมเรียงกันเถิด เพื่อประโยชน์และประโยชน์เรื่อกลุลอาเมรักกตุสัตรมโมสาเทปิธรร ม, มจาริโนขอปราศธรรมจงักสาคุ้มครองเราเทั้งหลายผู้มีปกติประพฤติธรรมทุกๆคนเถิดโู้จึิงสัมปาปุไนายามา ทาเมออริยประเวทิเตขอเราทั้งหลายจงถึงความเจริญในพระธรรมอ่านพระอริยเจ้าทรงประกาศไว้ในแหวปัจันนาหุนตุสะเปพิพ้านินโนพุทธสาสนเสนขอสัททั้งร้ายเมท่อทำวง จงเป็นผู้มีความเรื่อมใสในพระพุทธศ า, าสนาสามมาทารางปรวชั่นตัวกาเรเจโอปวัสสตัวทอฝนจงยังทอทานให้ไหลไปโดยชอบตกต้องตามฤดูกาล พุตธิปาวายสัตานางสมิทังเนตุเนธนิงจงนำไปซึ่งพื้นเนธนิทน์นให้สําเร็จประโยชน์เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายพาตาบิตาจะอัตตระจังเิจังรักขันติปุตตะกังมารดาและบิดย ยอมทนน้อมรักษาบุดน้อยผู้เถิดให้ตนเป็นนิชันใดเอวังธรรมเราชาโนดระชังรักขันถุสัพพะทาขอพระราชาทั้งหลายจงทรงรักษาประชาชนโดยธรรมในการทุกเมื่อฉันนั้นเธิน